ใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจังหวัดใดอำเภอใดประเทศใดหรือทวีปใดเริ่มแรกก็ามาจากคนด้วยกันจากนั้นก็เปลี่ยนเข้ามา บวชเป็นพระให้ชื่อว่าพระพระเป็นจุดรวมของคนที่ให้ชื่อสมมุติต่างๆกันว่าชาติชั้นวรณนะนั่นเป็นเรื่องความสมมุติของโลกความสมมุติของธรรมว่าสมณะหรือพระจะมาจากชาติชั้นวรณะใดก็าตามก็คือคำว่าคนเป็นพื้น แห่งชาติชตั้นวรรณะนั่นอยู่แล้วศาสนาจริงไม่มีคำว่าชาติชตนนั้นวรรณะมีสมณะคำเดียวเท่านั้นครอบไว้หมดในสังฆมณฑลแห่งพระพุทธศาสนาและศาสนาก็เป็นจุดรวมของจุดรวมหัวใจของโลกด้วย ไม่ว่าจะเป็นมนุษยชาติชั้นวรรณะใดาศาสนาเข้าได้ทั้งนั้นเฉพาะอุศสหศาสนาเพราะไม่มีการขัดแย้งกับชาติชั้นวรรณะใดเนื่องจากความถูกต้องดีงามของาศาสนาเป็นพื้นฐานอันยืนยันเพื่อรับรองความรู้ความเห็น ที่ถูกต้องดีงามหรือเพื่อความถูกต้องดีงามของมนุษย์ัวทั่วไปอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ศาสนาธรรมจึงเข้าได้ทุกชาติทั้นวันลนะนับแต่ปัญญาชนถึงพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาไม่มีข้อขัดแย้งกันเนืราทั้งหลายเป็นนักบวชมาจากที่ต่างๆ นั่นเป็นธรรมดาของสถานที่บ้านเรือนอันเป็นที่เกิดที่อยู่ของตนดั้งเดิมจากนั้นก็เสาะแสวงหาคุณงามความดีจนถึงก้าได้บวชเป็นพระแล้วสแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเพื่อความเข้าเข้าใจในหลักธรรมหลักมินายและการปฏิบัติเพื่อความถูกต้องในงาน แล้วมารวมกันอยู่เป็นั้งเป็นข่าวด้วยเหตุนี้ทุกท่านที่เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบแล้วตามทางสมมติจงเป็นที่ภูมิใจตัวเองว่าได้เป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างโดยแท้จริงแล้วแม้ในนิยมว่าเป็นนิกายใด ไม่ว่าเป็นธรรมยุทธ์เป็นมหานิกายอันนั้นแยกออกไปต่างหากแต่จะเป็นนิกายใดก็ตามสังคมยอมรับแล้วว่าได้บวชเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วตามแบบแผนตำหลักตำลาจึงเป็นพระโดยสมบูรณ์ไม่มีคำว่ามักคาวรสักขาวรที่จะห้ามมรรคผลนิพพานแต่นิกายนั้นๆ นอกจากตัวเองผู้บวชนั้นจะเป็นสักขาวรมักขาวรแก่ตนก็เองด้วยการละเมิดหลักจะพ่ออย่างยิ่งหลักวินัยเป็นสิ่งที่วัดความเป็นพระสมบูรณ์หรือบกพร่องหรือขาดขาความเป็นพระก็มีหลักพระวินัยเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องวัดของพระแต่และองค์ละองค์เมื่อการประพฤติปฏิบัติตามหลัก พระวินัยโดยสมบูรณ์อยู่แล้วก็เป็นพระโดยสมบูรณ์จากนั้นก็ดำเนินทางด้านอัตธรรมกับพระวินัยกลมกลมกลืนกันไปเึงไม่มีรายใดองค์ใดที่จะถูกห้ามเป็นสักขาวรมักขาวรคือห้ามมักห้ามผลห้ามสวรรค์นิพพานไม่มี มากผลยุพานขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราผู้เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบแล้วขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นสําคัญรับวินัยเป็นร่วกันความผิดที่ออกมาส่วนทางอยากยิ่งทางกายทางวาจาความประพฤตันเป็นส่วนใหา่รลับวินัยเป็นเครื่องบังคับส่วนละเอียด ซึ่งมีอยู่ภายในเมื่อต่างองตางตั้งหน้าต่างต า, ตาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ด้วยความระมัดระวังทั้งด้านทำด้านในแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานจะไม่นอกเหนือไปจากสุปฏิปโนโอุชูญาญาสามิจินี้ไปได้เลยนี่เป็นจุดสำคัญเป็นทางเดินของผู้ดำเนิน ให้ถึงจุดม้ปลายทางถ้าดาเนินด้วยสุปฏิอุธุญยะสามีจิตนี้นี่เป็นหลักราบรองมาแล้วตั้งแต่คราาั้งพุทธกาลตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วในสังฆคุณท่านนอกจากนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นนิการใดก็ตามไม่มีอำนาจที่จะบังคับบัญชาให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาแก่ตน เพราะการไม่ประพฤติถูกต้องตามหลักแห่งสุปฏิปนูนีาเป็นต้นนี้แล้วการปฏิบัติทางหลักทางพระวินัยก็เป็นจวนอย่าพอเข้าใจกันได้แต่ทางด้านธรรมะนี่ความละเอียดไม่มีไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใด เป็นความละเอียดโดยลำดับลำหนาและแต่สติปัญญาของรายนั้นๆจะนำมาใชา้ทั้งฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนจนกระทั่งถึงจุดมาดปลายทางแล้วที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนคนอื่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของธรรมความละเอียดสุขขุมของแต่ละรายหลายที่จะนำมาใชา้เนี่ การปฏิบตัติด้านจิตตะภาว น, นาอย่าได้หนีจากหลักสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจสทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคนี่เป็นเครื่องยืนยัมนมรรคผลิพานมีอยู่ที่ที่งานนี้ ซึ่งทำโดยถูกต้องไม่นอกเหนือไปจากนี้ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดจะมีอำนาจเหนือสัจธรรมทั้งสี่และสติบัตฐานสีนี้ไปได้โดยที่จะมาให้เป็นนรรคผลนิพพานแก่พู น, นั้นซึ่งไม่ได้ดำเนินในธรรมเหล่านี้เลยแต่แล้วผู้นี้ได้ดำเนินตามธรรมที่กล่าวนี้โดยถูกต้องแต่ไม่สามารถจะบรรลุมรรผลนิพพาน ได้อย่างนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นทำเครื่องยืนยันตั้งแต่ต้นแห่งผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากการปฏิบัติจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นอันเป็นผลสูงสุดนั้นจึงไม่นอกเหนือไปจากสัจธรรมและสติปัฏฐานสี่นี้ไปได้เลยการปฏิบัติจิตตามหลักที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นเป็น พื้นฐานอันสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติให้ควรจะมองข้ามไปเวลาอุปสมบทที่แรกทานกระสอนอนุสร์คืออะไรศีละปริภาวิตูสมาธิมหาพลโหโฮติมหานิสรงโซ สมาธิที่ศีออลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีระสวง ม, มากศีลเป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นเครื่องอบปุ่นภาระ จ, จิตใจไม่เกิดความระแวงแคลงใจว่าได้ล่วงเกินศีลข้อนั้นๆไม่มีความด่างพร้อยเกิดความละแค่ระขายอันเป็นอุปสรรคต่อสมาธิอย่างนี้ไม่มีปูนั้นไม่เป็นกังวลในโทษกรรมที่เกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดในศีลสมาธิ คือจิตใจย่อมไม่กังวลแล้วเข้าสู่ความสงบได้ง่ายสมาธิปริภาวิตา ป, ปัญญามหัพลาโขติมหาลิสร้างชาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนเครื่องสนับสนุนแล้วย่อมดออกก้าวเดินได้คล่องแคล่วว่องไว ผิดกับจิต ท, ที่ไม่มีสมาธิเป็นเครื่องหมุนเป็นไหนๆปัญญาปริภัยตังกิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจะติจิต ท, ที่ปัญญาได้ซักฟอกเต็มที่เต็มฐานแล้วย่อมสามารถบุดพ้นจากกิเลสจากทุกทั้งปวงโดยชอบหรือจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ คือไม่ผิดหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบโดยไม่มีความสำคัญมั่นหมายทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นไม่ไม่ถูกแต่เราเข้าใจว่าถูกว่าหลุดพ้นแล้วไม่มีถ้าลงปัญญาได้อย่างลงไปแล้วรอบตัวหมดล้วจะดำเนินไปไปตามแถวทางที่ถูกต้องด้วยอำนาจของปัญญาจนกระทั่งถึงพ้นจากกิเลสทั้งหลายโดยชอบ หลักนี้เป็นหลักอันยิ่งใหญ่เป็นพื้นฐานของศาสนาด้วยเป็นพื้นฐานของนักภาวนาทั้งหลายด้วยอย่าได้มองข้ามไปสมาธิเป็นของสำคัญที่ยังปัญญาให้เกิดพยายามอบรมจิตให้มีความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้และสามารถที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้ โดยจิตไม่ทะเลทรายเพราะอานาจ่างความหิวโหยบังคับหรือฉุดลากให้ไปเนื่องจากจิตมีความอิ่นตัวในสมาธินี่แหละคําว่าสมาธิหนุนปัญญาหนุนอย่างนี้แต่พึ่งทราบว่าสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาจะให้ทั้งสองอย่างนี้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ไม่ได้ มีสมาธิไม่ใช้ปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์ทางด้านปัญญาเป็นสมาธิอยู่นั้นตลอดไปจนกระทั่งวันตายดีไม่ดีหลงในสมาธิติดในสมาธิและถ้านอนาจมากสมาธินั้นยังเสื่อมได้อีกด้ว ย, ยจึงต้องได้ใช้ทางด้านปัญญาเมื่อกิตมีความสงบจะสงบในขั้นใดภูมิไหนก็ตามควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆเหมือนกัน การนำปัญญาออกใายใช้ที่ไหนใช้ใน ส, สติปัฏฐานสี่หรือในอริยสัจสีนี่แหละกายกำหนดดูร่างกายของเราทุกส่วนไม่ว่าข้างนอกข้างในของร่างกายนี้และร่างใดก็ตามเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นเมื่อพิจารณาให้เป็นสัจธรรมพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนตามความจรินข้องหมัด หลกความจริงของร่างกายนี้บอกชัดชดอยู่แล้วทั้งภายในภายนอกไม่ได้ปิดบงังหรือรับอะไรเลยแต่เพราะอํานาจของกิเลสมันปิดบังความจริงทั้งหลายกลายเป็นความปลอมขึ้นเาใสสันตัญญยว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้แล้ ว, ว่าสวยว่างามว่าเป็นสัรรพวัตถุคลเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปเสียสิงเหนี้ก็เลยปิดบังความจริงทั้งหลายความจริงทั้งหลายคืออะไร ในร่างกายนี้มีอะไรถ้าพูดถึงเรื่องความทุกข์ก็แสดงอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความจริงมันเอาสุขอะไรมาให้เราร่างกายนี้มีแต่แสดงความทุกข์ทั้งนั้นการเป็นอยู่หลับนอนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการเดียวยาบรรเทาทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายให้มันพอสมตัวได้ไม่ใช่ให้มันเป็นสุขเป็นสุขมันไม่ได้เป็นสุขอะไรแหละร่างกายนี้ นี่ก็เห็นได้ชัดนี่คือความจริงหนึ่งแต่พูดถึงเรื่องความปฏิกูลโสโครองมันอะไรจะเกินร่างของมนุษย์นี้แหละต้องช้าต้องล้างอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุก อ, อย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ปฏิกูลจะจำเป็นต้องได้ช้าได้ล้างซักฟอกเช่นเดียวกันกับร่างกายนี่แหละนี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งถ้าเราไม่มองข้าม ผูกกิเลสลากให้ข้ามไปเสียความจริงแบบนี้เด่นชัดอยู่ตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาอย่างลงไปที่นี้ทําไมจะไม่ทราบเพราะความจริงมีอยู่นี้เราหาความจริงเราไม่หาความปลอมบับงคับลงไปสติปัญญามีเท่าไหร่ให้เห็นดูข้างนอกดูข้างในดูข้างบนดูข้างล่างคลี่คลายดูทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วกําหนดให้มันแตกมันดับให้ล้มให้ตายลงไปดูสิเป็นยังไง เรานั่นแหละกําหนดดูความตายของเราเพราะร่างนี้มันจะตายแน่ๆถึงไม่ตายมันก็เป็นกองปฏิกูลโศกโรคอยู่แล้วตายแล้วยิ่งเพิ่มความปฏิกูลโศกโรกหน้าอิดหนาหน่าอาจัยหน้าเบือ่อหน้าหน่ า, น า, นายเป็นไไหนนี่คือความจริงปัญญาหยั่งลงไปที่ตรงนี้เรียกว่าเดินปัญญาจะพิจารณ า, าร่างกายข้างนอกก็ได้ไม่ผิดขอให้พิจารณาเป็นเรื่องของมรรค เป็นเรื่องความการถอดการถอนไม่ผิดทั้งนั้ น, นท่านเรียกว่าเดินปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาจะที่นี้จะพิจารณาทุกทุกภ า, ายในร่างกายเป็นสิ่งที่เด่นมากในขณะที่นั่งก็ให้แยกดูส่วนทุกส่วนร่างกายและจิตที่สามอย่างนี้มีความสัมพันเกี่ยวเนื่องกันจนกลายมาเป็นเราเป็นของเรา เมื่อว่าเป็นอันหนึ่งแล้วก็เป็นเราเป็นของเราไม่ได้เป็นธรรมมันกลายเป็นเราเป็นของเราไปเสียเพียงแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในภายในร่างกายและดูกายในขณะที่ทุกเกิดขึ้นกายก็เป็นกายสักแต่ว่ากายทุ ก, ก็สักแต่ว่าทุกจิตก็สักแต่ว่าจิตนี่คือตามความจริง แต่ความสําคัญมั่นหมายเป็นประจักษ์ปีตนี้คือความปลองชัญญาอารมณ์เกิดขึ้นจากจิตสังขารปรุงแต่งสัญญาความสําคัญมั่นหมายนี่มันเป็นผู้ไปทําลายความจริงคืออันนี้พิจารณาอย่างลงสู่ความจริงแยกแยะ ก, กันหลายครั้งหลายหนนี่ถ้าพิจารณาทุกข์ก็มีกายมี เบธนามีจิตยอยู่ตรงนี้เมื่อเข้าใจชัดเจนจิตไม่ไปไหนต้องถอนเข้าสู่ตัวเองไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปยืดไม่ไปสาคัญว่ากายเป็นเราเป็นของเราไม่ไปสาคัญว่าทุกข์เป็นเราเป็นของเรานี่เรียกว่าต่างอันต่างริงในขั้นเวลาหนึ่งที่เราพิจารณานี่ก็เรียกว่าพิจารณาทางด้านปัญญา อย่งที่ท่านสอนไว้นาสติปัฏฐานการเวทนาจิตธรรการพิจนาการการพิจานาเวทนากับเรื่องของจิตต้องประสระสานกันโดยหลักธรรมชาติด้วยโดยที่จะาของตั้งใจพิจารณาเรื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตด้วยว่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดด้วยมีหลายข่านหลายตอนพิจารณาอย่างนี้นี่เรียกว่าเดินปัญญา พิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะให้ถือหน้าที่งานการพิจารณานี้เป็นกิจเป็นการจริงๆอยงยาศักด์แต่ว่าพิจารณาได้ศักดิ์ยาศักิ์แต่ว่าทำเฉยเฉยให้ถือเป็นความจริงความจังถือเป็นการเป็นงานของตนจริงเช่นเดียวกับกิเลสมันแสดงออกด้านใดมุมใดกิริยาใดเป็นกิเลสเต็มที่เต็มที่ไม่เคยบกก้องไม่เคยศักดแต่ว่ากิเลส เป็นกิเลสเต็มตัวออกมาทุกแง่ทุกมุมที่มันแสดงตัวเพราะฉะนั้นด้านธรรมะที่จะปราบปรามกิเลสจึงต้องแสดงตัวด้วยความจงใจเต็มที่เช่นเดียวกันถึงจะทํากันไม่เช่นนั้นไม่ทันนเคยพูดเสมอกับหมู่เพื่อนในการทำให้จริงทุกอย่างกิเลสมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญหยู่มาก ทุกไดก็ตามไม่ได้เหมือนทุกเพราะการฆ่าด้วยการฆ่ากิเลสแก่สิ่งใดก็ตามไม่ได้แก้ยากเหมือนแก้กิเลสหลงสิ่งใดก็ตามไม่ได้หลงอย่างชนิดติดจมเหมือนหลงกิเลสติดกิเลสเพิ่มไปตามกิเลสเพราะฉะนั้นการฆ่ากิเลสจึงยากยิ่งกว่าการฆ่าสิ่งใดในโลกนี้หรือในสามแดนโลกฐานนี้ ให้พากันเข้าใจและให้ถึงใจด้วยไม่อช่งนั้นจะเหลวๆหลายๆไปทั้งๆที่นั่งเฝ้ า, าศาสนาธรรมนั่งเฝ้านอนเฝ้ามรรคผลิพานอยู่กับกิตดวงนี้แหละแต่จะปล่อยให้กิเลสเอาไปกินซะหมดไม่มีเหลืออยู่ภายในตัวเลยสิ่งที่เป็นเศษเป็นเดนที่กิเลสมันทิ้งแล้วนั่นแหละเราถึงจะได้กินได้ดุาก็เลยกลายเป็นกิน ของเสียดของเดนของยิย่งเด็ดไปหมดไม่ได้เสวยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยการปฏิบัติอันแท้จริงของตนเลยนี่ไมาสมควรอย่างยิ่งกับหน้าปฏิบัติเราถึงทําให้จริงมีหลักมีขอบเขตดังที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องแสดงเป็นทางนาเหนือยาปล่อยกระล่าเลยนี่โดยเห็นว่านั้นดีนี่ดีความั้อการมั่นหมายแล้วปากของคนลมปากนี่มันพีเร็ มันทำลาได้เหมาะให้เล็งดูหลักทำหลักวินัยเล็งดูครูดูการที่เป็นที่แน่ใจของตนท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้ยึดหลักนั้นเป็นก ฎ, เ ป, นกฎเป็นเกณฑ์เอามาประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังแล้วจะรู้จะเห็นขึ้นมาการภา ป, ปฏิบัติเรามีมาก แต่ที่มันไม่ปรายค่อยปรากฏผลและไม่ปรากฏผลเพราะอะไรเพราะเอานี้สัยสันดานของกิเลสไปใช้ในวงความเพียรมันจะมีผลตั้งแต่เรื่องของกิเลสไปหมดเป็นผลของกิเลสไม่ใช่ผลของธรรมไม่ใช่ผลของความเพียรอย่างแท้จริงเล่ยๆล่อนๆเลี้ยวละหลไปเสียเพาไม่อยากฝืนอะไรที่จะเป็นมากเป็นผลเป็นของดีของดีแล้วทําให้ขยะขแข็งทําให้ขี้เกียจขี้ค้านทําให้อิจฉาและอาใจียนนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด ให้เพิ่งทราบไว้ถ้าจะ ต, ต่อสู้ขี้เล็ดต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ต้องฝืนสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าต่อสู้ขี้เล็ดจึงเรียกว่าความเพียรต้องเพียรหนักหนาหากเป็นสิ่งที่ง่ายได้แล้วศาสนาใครๆก็มีได้ไม่จำเป็นจะต้องว่าพระพุทธเจ้ามาแตะสรุปเพียงองค์เดียวใครๆก็ตระสรูปได้ทั้งนั้นแหละเพราะเป็นของง่ายนิดเดียวแต่นี่มันยาก จึงต้องมีได้เพียงพระองค์เดียวว่าพระพุทธเจ้ามันหลุดลอยออกมายากแม้แต่เช่นนั้นก็ซึ่งได้แนะนำสั่งสอนมาโดยลำดับผู้ที่จะตามไปเดี๋ยวพริชุทิเาทันก็มีจำนวนน้อยมากเหมือนกันเช่นพระาราหัตหันเป็นต้นมีอุบายวิธีการต่างๆซึ่งได้รับมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังต้องลำบากลำบนแล้วครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่ตลอดเวลา เราก็ยังลำมากลาบนในการแก้กิเลส น, นานกิเลสมันให้ความสะดวกสบายแกเราเมื่อไหร่ถ้าลงจะทำความดีแล้วต้องขัดต้องแย้งต้องบีบบังคับเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแหละให้ทราบวันนี้คือตัวมามันแทรกอยู่ภายในจิตใจของเรานั่นแหละสะติเป็นของําคัญอย่าเสียนายความคิดความเห็นต่างๆตลอดเพิ่งการ ดูรูปฟังเสียงเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ภายนอกซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาสักจนจําเจถ้าสิ่งถ้าว่าเป็นสิ่งที่ควรเบือ่อควรอินหาละอาเพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์เหล่านี้มันก็ละเบื่อมันละอาสักจนอกแตกแล้วเนี่ยแต่นี้ทําไมจึงไม่ไม่เบือ่อไม่อินหาละอาใจก็เพราะนี้เป็นเรื่องของกิเลสย่อมทําให้ติดเสมอไม่ได้สนใจวันนั้นเป็นของเก่านี้เป็นของใหม่เคยได้รู้ได้เห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มา ่านนั้นค้างตอนนี้คร้างหลายค้างแล้วหนจน จ, จําเกยแล้วจนหน้าเบื่อแล้วไม่ขังบนผู้มากับมันแล้วสิ่งนี้เพราะหน้าเบื่อเนื่องจากมัน จ, จําเกแสน จ, จําเกมันก็ไม่ได้ขีดเพราะเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องกล่อมเสมอแต่เรื่องของอัตองทำแล้วมันชัดจิตหนาละอาใจก็นี่ <H it> นี่เราให้รู้วันเวลานี้กําลังของกิเลสยังมากธาตุจิตยังเป็นอย่างนั้นอยู่จึงต้องให้หนักมือเข้าไป ไม่ต้องเสียดายเรื่องความคิดความเห็นความปรุงความแต่งสัญญาอารมณ์กับสิ่งภายนอกอันเป็นเรื่องสังสมกิเลสซึ่งเคยเป็นมาแล้วมีแต่กองทุกข์เป็นผลให้แบกบให้หามอยู่ตลอดเวลาส่วนการพิจารณาทางด้านอัดด้านธรรมนี้เป็นสิ่งที่จะปลุกเรื่องภาระทั้งหลายลงเพราะเป็นการทำลายกิเลส ต, ตัวเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสบายไปโดยลำดับภาระจิตใจให้เพิงทำอย่างนั้น ถ้าความที่เกจ็ดอีกครั้งยังมีหนาเนีน่ยอยู่ภายในใจให้พึงทราบว่าเวลานี้อำนาจของกิเลสกําลังแผ่อำนาจมากแสดงอิทธิพลมากภายใจิตใจให้ทราบทันทีและพยายามต่อสู้กันเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมมีความสงบเย็นใจเป็นต้นไปโดยลําดับลาาําดาจนกระทั่งถึงด้านปัญญาก็ค่อยออกตามต้นกิเลสกิเลสปรากฏว่าค่อยหลุดลอยไปโดยลําดับลําดานั่นแหละที่นี่ กำลังของธรรมจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกำลังของกิเลสที่เคยแผ่อนาจเป็นความอินหนาละอาจะเป็นความขี้เกียจขี้ค้านจะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงจนกระทั่งถึงขั้นว่าความอินหนาละอาจะในการต่อสู้กิเลสนี้ไม่ไหมยนะความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดนี่แสดงว่ากิเลสประเภทเหล่านี้หายไปหมดแล้วถูกฆ่าถูกฟันหั่นแหลกไปโดยลำดับดับแล้วมีแต่กำลังของธรรมที่จะเอาท่าเดียวอ่า จะให้ชนะท่าเดียวให้รู้ท่าเดียวให้หลุดพ้นท่าเดียวนี่แหละที่ว่าท่านว่าอุทาจฉาความฟุ้งของภรยาบุคคลขั้นอรหัตตมรรคท่านดําเนินอิทเทินในความภลาด ค, ความเปี่ยนความขี้เกียจขีคลานหาหน้าไปหมดเหลือแต่ธรรมจับหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในใจหมุนติ้วเพื่อฆ่ากิเลสนี่เราจะได้เห็นได้ชัดที่นี่ว่า ความอินาน า, าร์อาใยความขี้เกียจจิตานันนั้นคือตัวกิเลสเต็มเปล่าพราะกําลังของธรรมปรากฏขึ้นมาเต็มทีแล้วสิ่งนั้นหายหน้าไปหมดเหลือตั้งแต่ความหมุนกิ้วติว้วเป็นธรรมจักภายในจิตใจเนั้นหมุนติว้วก็คือปัญญานั่นแหละสติกับปัญญาไปด้วยกันดูด้วยกันอนี่หละถึงว่าสติอันใดปัญญานั้นก็ได้มาถึงขั้นนี้แล้ว ความรู้นี้รอบตัวอยู่ตลอดเวลานี่เลยถายหน้าไปส่วนที่ละเอียดก็ตามต้นนักกันจนตามต้นกันจนพบพบตรงไหนฟาดกันตรงนั้นสุดท้ายก็แตกกระจายหมดมีความขี้เกียดอยู่ค้านไปไหนหมดทีนี้นั่นแหะจึงได้ทราบชัดว่ากิเลสคือตัวขี้เกียจขี้เกียจมากกิเลสมีอำนาจมากลาคาญมากกิเลสมีอำนาจมากอ่าดังนี้เป็นต้นให้พากันจำเอาไว้การ ต่อสู้กิเลส ต, ต้องต่อสู้กับสิ่งอย่างนี้เ้ากิเลสไม่ให้ตั้งสติกิเลสไม่ให้ทําความเพียรออาทำลงไปฝืนกิเลสฝืนลงไปเถอะให้เสียหายแต่ว่าคล้อยตากิเลสคล้อยทลายเสียเท่านั้นให้เอามาบวกลบคูนหารการนนะัะปฏิบัติเราการคลอยตามกิเลสเป็นความได้หรือความเสียการฝืนกิเลสเป็นความได้หรือความเสียพิจารณามันก็ได้ความขึ้นมาเราเป็นผู้ศึกษาธรรมะเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อเพื่อทำอยู่แล้วทําไมจะไม่ยอมลง ลงรอยกับความจริงการฝืนกิเลสต่อสู้กิเลสเป็นความได้เนี่ยก็ต้องต่อสู้นั่ น, น, นจึงเป็นนักปฏิบตัติเป็นนักธรรมะมีแต่จจคล้อยตามกิเลสเธอเพิ่พมไปตามมันตลอดเวลาได้ประโยชน์อะไรใครวิเศษวิโสพอกิเลสเต็มหัวใจมีไหมไม่เคยมีถ้าทําต็มหัวใจแล้ววิเศษทั้งนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าหมายว่าภาษาพวกทั้งหลายพุทธังสังคังสนากรฉามนินั่นคือท่านวิเศษนันน ร, ระดับเราจึงม่กลั ว่าเป็นสนะนนิษฐานังสันนิษานนี้ก็เกิดขึ้นมาจากท่านผู้วิเศษผู้บึกผู้บืนผู้นักต่อสู้นี่แหละทําเกิดขึ้นจากความต่อสู้กิเลสเกิดขึ้นเพิ่มกําลังขึ้นเพราะความคีดเกียวกับข้านอ่อนแอความคิดความอ่านอะไรก็ไม่คิดไม่อา่านแทนที่จะให้เกิดประโยชน์ถอดถอนกิเลสมีแต่าคาิดเี่กับคิดไปทางกว้างกิเลสเข้ามาเผาตัวเสีย ความคิดคิดได้แต่ส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมถ้าเป็นเรื่องของธรรมเขเป็นเรื่องเป็นเรียกว่าปัญญาถ้าเรื่องของ het, กิเลสแล้วก็ความคิดท่านเป็นสมูทัยหมุนไปก็มาหาเรานี่แหละพยายามันจดจำเอาไว้เราหาที่ไหนมาผลนิพพานกองทุกข์มันอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าสึกมันอยู่ที่ไห น, ม, น, ไหนมันอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดินฟ้าอากาศร้อน ด้วยแดดก็เป็นเรื่องของแดดร้อนด้วยพอาทิตย์เป็นเรื่องของพอาทิตย์ร้อนด้วยไฟก็เป็นเรื่องของไฟไม่ใช่เรื่องแผดเผาอย่างแท้จริงภายในจิตใจเหมือนเรื่องของอยิเนียยิเนีนี้แผดเผาจริงจริง้อนจริงจรงร้อนอยู่ที่ใจทุกอยู่ที่ใจแต่ตรงนี้แล้วอะไรจะร้อนก็นร้อนเถอะอันนี้เย็นซะอย่างเดียวเท่านั้นพออยู่พอเป็นพอไปทั้งนั้ น, นเราควรหนไม่กระวนกระวายไม่ระสำร่ำระสายพราะหลักใหญ่แน่นหนามั่นคงแล้วภายในใจ พากันตั้ง อ, อกตั้งใจเป็นี้พิจารณาอย่ารุดลาดท้อถอยอยู่ก็อยู่เกิดก็เกิดมาจากเท่าไหร่กี่พบ ก, กี่ข้ามาแล้วไม่สงสัยเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องตายมีแต่กิเลสนั่นแหละพาให้เกิดให้ตายซิ่งได้ไม่ได้พาให้เกิดให้ตายเห็ทุกยากลำมากก็มีแต่กิเลสอย่างเดียวมีแต่กิเลสอย่างเดียวฟังทีงว่ามีแต่กิเลสมีแต่กิเลสมันไม่น่าถึงใจหรือมันไม่น่าเครียดแค้นเหรอเราเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะกิเลสเนี่ย เราทุกมามากน้อยเพราะอะไรเพราะกิเลสแน่อะไรกับพาอกิเลสอะไรกับพอ่อกิเลสมันมันมาหน้าปูขวดปูกแค่เหนือถ้าเป็นนักธรมรมะยิงต้องผูกโกรธผูกแค้นกันอย่างให้อย่างถึงใจแล้วฟาดกันให้เต็มเหนี่ยวเป็นก็เป็นตาก็ตายเถอะก็ให้เล่ล้างแค้นนี่เต็มหัวใจเถอะนั่นนักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นเล อ, อ, อ, อ, อ่อนแอได้หรือลูกศิษตาข่าวขพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้อ่อนแอสาวว่าหมายไม่ใช่วู้อ่อนแอทไม่ได้สอนคนเพื่ออ่อนแอ ให้มีความเข้มแข็งเพราะกิเลสมันไม่ได้เคยอ่อนแอนี่เราจะไปเอาความอ่อนแอสู้กิเลสได้เหรอะกิเลสทุกประเภทไม่ได้อ่อนแอทั้งนั้นไม่ว่าจะปู่ย่าตายายของกิเลสไม่ว่าจะลูกเต่าล้านเลีงกิเลสพ่อแม่ของกิเลสมันเป็นแบบเดียวกันหมดอืมจับไหนติดนั้นจับไหนติดนั้นเกาะตรงไหนติดตรงนั้นแทงที่ไหนทะลุที่นั้นไม่มีคมาําว่ามันหลุดมันลุ่อยอ่ะกิเลสแทงคนแทงหัวใจเราปัญญาแทงกิเลสทําไมจะหลุดจะลุ่ยไปธรรมะของอริยเจ้าเป็นของวิเศษเหนือกิเลสแท้ๆทาไมจะหลุด รุยไปปะฟาดกันโดนทำมันแหลกแตกกระจายไอ้เจ๊ยื่เนี่ยกลัวทําเท่านั้นนะไม่ได้กูอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นอิทธิผลของกิเลสทั้งหมดที่ครอบกิเลสได้ก็คือทำจึงว่าโรโรกุตรธระทำทำเหนือโลกนำ้ำทำเหนือกิเลสกิเลสหมอกล้าเพราะทำจึงนำมาใช้สติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหธรรมขันติธรรมให้นำมาใช้นี้เป็นเครื่องป้องกันตัวเป็นเครื่องกำจัด ภัยคือกิเลสได้เป็นอย่างดีเป็นลาดับดําลของผู้ปฏิบัติดูหัวใจเจ้าของนั่นนั่นละกองทุกข์อยู่ที่นั่นมรรคผลนิพพานอยู่ที่ตรงนั้นอยาไปดูดินฟ้าอากาศให้เสียไปั้งเวลายาไปตะครุบเงานั่นเป็นเงาทุกข์แท้อยู่ที่ใจสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาก็อยู่ที่ใจที่เขาสมุ ท, ทยัย มากคือสติปัญญาสัทยาความเพียนก็อยู่ที่ใจผิดขึ้นมาใช้แก้กันสิ่งนี้เป็นอาการเป็นจิริยาทั้งนั้นนำมาใช้แกกันได้ฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ใช่ตัวจริงแท่ตัวจริงแท้คือใจเป็นหลักธรรมชาติกิเลสก็ไม่ใช่ตัวจริงแต่แทรกเข้าสู่ตัวจริงจนกลมกลืนเป็นหนึ่งันเดียวกันได้แล้สติปัญญาผิดขึ้นมาใช้แก้สิ่งที่จอมปลอมแทรกอยู่กับภ า, ายในจิตอยู่ภ า, ายในจิตให้แตกกระจายออกไป เมื่อกิเลสก็แตกกระจายชาติปัญญานี่ซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งก็หมดปัญหาไปเรียกได้ทำมะหรือที่กิจที่บริสุทธิ์ด้วนวนั่นแหละถามหาที่ไหนสิพันิพานกิเลสปัญหาสิ้นระจากใจหมดทุกสิ้นไปจากใจหมดแล้วถามให้ถามก็เป็นปัญหาอะไร มาใหม่มาเก่าก็ให้ตั้งใจศึกษาหูมีตามีให้ดูดูกันยังเรียกว่ามาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดดูด้วยกันเป็นจำนวนมากมากแกหนักกันทําทําความหนักแกกันเกตนาไม่เจตนาให้สําคัญเหมือนสูงทั้งท่อนมันไม่มีเกตนาอะไรกับเราแบกเข้าไปสิหนักได้เหมือนกันไฟไม่มีเกตนาที้เข้าไปสิมันร้อนนะันเหมือนกันนั่นแหละจึงต้องระมัดระวัง ให้เห็น อ, อกเห็งใจซึ่งกันลัละกันน้ำหนักของใจมีคุณค่าเหมือนกันหมดเราเป็นนักธรรมะต้องคินิสพิจารณาเกี่ยวข้องกับเพื่อนกับหูไม่ว่าจะไม่เพียงแต่จะดูแต่หัวใจจนตัวเดียวมันไม่รอบต้องดูทุกหัวใจอยู่ด้วยกันเป็นธรรมมองกันให้มองในแง่ให้อภัยเสมอมองในแง่เมตตาสงสารมองในแง่ความเป็นธรรมอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้ถ้าลงกิเลสเขาแทรกเข้าไปแล้วอารณะอืม ให้เกิดความละเอียดแค่ราคาให้เกิดความมั่นสนิทติดใจภายในอยู่ในหัวใจนี่แหละกับองนั้นบ้างกับลายนี้บ้างและลายนั้นก็เป็นรายนี้ก็เป็นรายนั้นก็ก่อไฟขึ้นมารายนี้ก็ก่อไฟขึ้นมาแล้วเผากันนี่เรื่องของเกลดเผากันถ้าเป็นเรื่องของทำรละพยุงกันให้มีความผาสุกเย็นใจแม้จากกันไปก็มีความอะไรคิดถึงการเครียดสารานิยธรรมนักเรียนหน่อสารานิยธรรมคือทำเป็นเครื่องระลึกถึงกันนะกัน แต่ลงเป็นธรรมแล้วติดทางนั้นแหละติดใจกันด้วยกันสนิทกันได้ง่ายๆถ้าเป็นกิเลสแล้วมันไม่คุ้นกับใครทางนั้นนะกิเลสนะมันมีใครว่าเป็นญาติของมันมันเอาให้แหลกได้ให้ระมัดระวังขอวัดปฏิบัติก็ให้ดูดูกันใครควรจะได้อันไหนทำอะไรก็ให้รีบจัดรีบททำอย่าคอยองนั้นอย่าคอคนนี้อย่าเห็นว่า ง, งานทั้งหลายนี่เป็นงานของ ปนั้นปูนี้ของผู้มาอยู่เก่าอยู่ใหม่มันงานของด้วยกันของผู้มาศึกษาด้วยกันทุกคนจดจำอันนี้ไห ม, นนมดัาเทปปิดเทป แ, แค่นั่นแหละนะพอดีเราบินมาทำลายมะนตกกตมันมาแบบเพื่อเราทำใามสะอาดอะไเกินทนะําหาติใหญ่ระบ ดื้อมาด้านต่อหน้าต่อ ต, อตาเห็นต่อหน้าตานี่คนอื่นเห็นกันชัว่วนี่เราเห็นเองนี่มันที่ยึงเอาเปนอย่างหนักอย่างเขาสุดท้ายแต่น้ามาก็ไม่ให้พบอีกเลยพูดด้วยเหตุไปผนตกลงกันเรื่อยแล้วเรื่องการถ่าลูกน่ะยอมรับแล้วมันเป็นได้สามหงส์ผมดึงเมื่อหร่คนที่สามก็เอาไป พุทธิย่าเป็นศาสดาองค์หน้าด้านเฉลยวเราเป็นพุทธบริษัทลูกศิษย์ทุกสาขาโคตรตนหน้าด้านขนาดนี้ฟังยอมรับเหตุผลมาแล้วยังมาดื้อด้านด้านต่อหน้าต่อตามเนี่ยว่างันอย่เพรานั้นมากมากพกอีกทีนี้มันก็เลี้ยงไปเป็นคาบลูกคาบดอกเฉินประวัติท่านอาารมั่นรูมขายเืิดเรือเนี่ยพวกคนพ้นโลกที่เรามันได้ว่าจะบพมพกันทั้งเล่มเลย พอถูกขีดยุ่งเราเนี่ยต้นไม้สายก็ไปมันก็เลยเลี่ยงจากนั่นแต่มันก็ททำเป็นรับลูขับดอกไพวกน่านด้านต้องเป็นอย่างนั้นนี่แคกปากกำลังออกขายเืยนแล้วที่เกี่ยวยุ่งเหมือนโตรนกาะหาทางไปไม่ได้มนกั กระเสือกกระทนไปแบบนั้นเนี่ยถ้าหนังสือล้วก็ดีเทพเราก็ดีถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วคนชอบมันมากอย่างนี้เพราะคนที่รักษาศาสนามีอยู่มากคนสนใจมันธรรมะมีอยู่มากไม่ใช่น้อยนะโดมเป็นฉพาะไม่ประกาศโฆษณาคนดีไม่ประกาศตัวเองอ่ะคนชั่วมันประกาศคนโง่มันอวดดีคนฉลาดไม่อวดคนมีธรรมะไม่อวด ของเราก็ไม่หมายไม่ไหวนี่จะส่งไหมอี่ต่างๆนี่ว่าอะไรคุณอะไรอินก็ดูท่านไปใครได้ส่งเทพปลาให้เขาแล้วเห็นเขาเจริญหมายมายห้เราส่งไปเมื่ อ, อไหร่เขาว่าได้รับเทพเมื่อเร็วๆนี้นะเขาส่หมายมายไม่กี่วันตัวมากี่ม้วนอเพราะว่าเขาได้รับเทพว่างั้น ที่อ่างทองอ่ะใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะกี่มว้วนเขาบอกเขาได้รับเทเขเทียนหมายมาคนที้ที่เขาว่าจะทลายเงินห้าหมืน 50, ่นขอสร้างกุฏิโบราณอู่กุฏิอะไรทรงไทยเดี๋ยวผมขอผ่านคณะมาเขาก็เลยถาวายมาเลย ไปแล้วแตกเหมันไปทำอะไรกัแล้วแต่ผมก็เลยบอกเข้าไปว่าจะขอให้เข้าโรงเรียนก็บอกกันก็เข้าเรียนคนนี้แหละเขาเป็นเนีย่ยผู้จัดการที่งานเทพยุมงอยู่นครสวรรค์สามีเขาทํางานที่นครสวรรค์เขาคนใจบุญดูมากหลวงพ่อบุญดามาติดต่อเขา เ, าเรื่อยมาเยี่ยมเขาเรื่อยอยู่เขาเค้ื่นหมายมาบอก ของพ่อ b u d ที่วัดอะไรวัดอาบุธฟังพลาดหรืที่ไหนเวลานี้ท่านอยู่ที่อะไรที่สิงห์บุรีอยู่ที่ไหนนะผมก็ลืมแนตะ่เขาก็บอกมาเรื่อยๆน่นท่านมาโปรดที่บ้านบ่อยบางที่มาชั้นเพลงที่นั่นอะไรมาเขาก็เคยมาวัด น, นี่สองสามหนนละมั้ถ้าผมจาไม่ผิดสองหรืสามหุ่น งานเจดีนั้นผมเข้าไปทุกครั้งแล้ว ไ, ไ, ได้ส่งไปที่ไหนบ้างเทปะเทปเราได้ส่งไปไหนบ้างผมก็ไม่มากเกี่ยวข้องหรอ ง, รองนี้มันดุ่งมากแต่แลว้วแต่เพื่อนเจนทุกวรส่งให้ใครเถอะผมไม่ยุ่งแหละนี้เทียนกับเทศใด้ฟังวันหนึงก็แย่แล้ว ั ง, งานก็ของกับวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่ว่างนะทั้งไม่สบายด้วยพอสบายบั่งก่อนมีงานจะของด้วยนั้นแหละมันอินนาน์อาใจนะเกี่ยวกับผู้คนท่าเน้นเวลานี้คือกําลังของเรามันไม่อํานวยนั่นเองไม่ใช่อะไรนะความสงสารก็สงสารแต่ธาตุขานั้นไม่อํานวยมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจนะี่นะมันเป็นอย่างหนึ่งของมันอยู่คนเดียวคนเดียวก็รู้สึกมันจะมาจะมา คนนิสยัยมันเป็นนิสัยคนเดียวกันมันพอดีอยู่กับความอยู่คนเดียวนิสสาวีสามันไปยุ่งเนี่ยเพราะงั้นจึงอยู่แต่คนเดียวมันสบายนนการอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ก่อนเห็นแก่หัวใจแต่ละ่วงดวงเฉยๆนี่นผมฝืนอยูนี่ไม่งั้นผมไปที่ไหนผมได้สบายผมนั่นอย่างไปที่ไหนก็อยู่ได้สบายๆไม่กังวลอะไรเลยต ล, ลาดตาดปุ๊บเดียวเท่านั้น เรื่องของโลกนี่ยเรามาอาศาัยเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเราเอาสาระอะไรกับมันเรื่องโลกเนี่ยมันก็มีเท่านั้นเรากำลรับผิดชอบเฉพาะขันของเราอาศาัยบินตบ่าเขากินไปวันหนึ่งหนึ่งได้อะไรม า, ากินยีนท่านั้นสบายสมายแล้วบินตะบาน ม, มาจากภูเขาแบบฉันและเสร็จแล้วไปเงียบไปเงียบไปเงียบหาอยู่สบายๆนั่นอันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่วันหนึ่งวันคารุงขลังคารุงขลังพ อ, งองจะจัดอาหารเขาจะได้ฉันโอ้โหแย่แล้วนั่นทนเอา อ, อกจากนั้นก็คุยกับแขกกับคนหัวใจแต่และดวงละดวงเนี่ยคิดจากนั้นแหละทนเอาทนเอาหรือจะตายเพราะทนเอาทนเอาอะไรเลิก น, นะไรนะพูดน้นเอว